ความลับถ้าอยู่ในใจแล้วทุกอย่างเป็นปกติก็ควรจะให้เป็นความลับในใจต่อไปมีแต่คนฝึกพูดให้เก่งน้อยนักที่จะฝึกไม่พูดให้ชำนาญหลายเรื่องในโลกรู้แล้วทำให้คันปากอยากบอกให้ใครต่อใครรู้คำบางคำทําลายมิตรภาพได้เพราะคำคำนั้นสร้างความรู้สึกแย่ใหม่ๆขึ้นมา แรงพอจะทำลายความรู้สึกดีกเก่าๆลงไปความลับในใจถ้าอยู่ในใจแล้วทุกอย่างเป็นปกติก็ควรจะให้เป็นความลับในใจต่อไปเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าถ้าเผยออกมาแล้วอะไรๆจะยังคงเป็นปกติต่อไปหรือไม่ถ้ามีเรื่องให้ฝึกที่จะไม่พูดถึงขอให้รู้ว่านั่นคือโอกาสก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางสมาธิ ทั้งโลกคุณจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นควบคุมสถานการณ์ได้เท่าที่เห็นควรทางสมาธิคุณจะมีความอึดอัดที่ชัดเจนเอาไว้ฝึกขันติอย่างถูกวิธีคือเห็นความอึดอัดมากอยากพูดให้ได้ในลมหายใจหนึ่งเราเห็นความอึดอัดน้อยลงไม่พูดก็ได้ในลมหายใจต่อมาหาคุยกับใครแทร่รู้สึกเหมือนอยากพูดเรื่องขันปาก แต่ขณะเดียวกันก็นึกอยากห้ามใจไม่พูดคำนั้นกลับไปกลับมางอนแงนจะหลุดไม่หลุดแหละณขณะนั้นกุณกำลังเห็นสภาพวันไหวของจิตอย่งางถนัดชัดเจนอย่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยเให้รับรู้ถึงสภาพความวันไหวนั้นเอาไว้จนกว่าจะแปรไปหากคุยกับใครถ้าอยากพูดเรื่องคันปากแล้วรู้สึกถึงสติ ท, ที่มีความแน่นอน รู้ชัดว่าเป็นตาอย่างไรก็จะไม่พูดเด็ดขาดณขณะนั้นคุณกาลังเห็นสภาพความมั่นคงของจิตอยู่อย่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆ เ, ยเช่นกันให้รับรู้ถึงสภาพความมั่นคงนั้นไว้จนกว่าจะแปรไปแต่ละวันเต็มไปด้วยประสบการณ์ทางจิตคนเราจะรู้สึกว่ามีตัวตนชัดเต็มหรืออย่างน้อยเป็นตัวของตัวเองพอ ก็เมื่อมีใจแน่วแน่ไม่โลเลวันไหวซึ่งอาจหมายถึงการตัดสินใจพูดหรือตัดสินใจไม่พูดผู้มีสติเห็นเหตุของความมั่นคงทางใจแล้วให้การสนับสนุนเหตุของความมั่นคงนั้นย่อมมีความไม่วันไหวกับกระแสโลกและมั่นคงพอจะเอาชนะคลื่นรบกวนในตนเอง